เรื่องหลวงตาขาช่วยแม่หนูด้วยโดยคุณอ้อยโครงการช่วยชาติของหลวงตามหาบัวได้เริ่มขึ้นมาสิบกว่าปีก่อน และทำต่อเนื่องมาจนปัจจุบันท่านเร่งให้ช่วยกันระดมหาเงินหาทองมาเข้าคลังหลวงเพื่อจะเป็นทุนค้ำจุนให้ประเทศชาติได้อยู่รอดเมื่อเริ่มทำโครงการระยะแรกๆบรรดาสิทธิ์ทั้งหลายมีความลังเลสับสนว่าท่านกำลังทำอะไรอยู่ทำทำไมและจะมีคนเห็นผลหรือไม่หลายคนไม่เชื่อไม่แน่ใจว่าจะช่วยชาติด้วยวิธีนี้ได้อย่างไรทั้งยังไม่มีเหตุการณ์ที่ชี้ชัดว่าชาติต้องการความช่วยเหลือ ตลอดเวลากว่า10ปีของโครงการหลวงตาท่านทุ่มเททําทุกรูปแบบทั้งภาพปา่าท่านเทศนาธรรมทุกกําหนดการที่ออกมาท่านไปด้วยองค์ท่านเองไม่มีถอยไม่คํานึงถึงความชราของสังขารที่เข้าวัยกว่า90ปีแล้วท่านไม่เคยมีวันหยุดไม่เคยมีเวลาพักวันทั้งวันเริ่มแต่เช้าตรู่ท่านต้องเดินบินทบาทรับบาดแล้วบาดเล่าแต่ละก้าวเดินของท่านแบกโลกแบกสังขารอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อย ท่านเป็นแม่ทัพ บ, บัญชาการรบพร้อมทั้งแนะนําให้กําลังใจลูกศิษย์เป็นทัพที่เดินด้วยแต่ละหล่าแข้งก้าวทีละก้าผู้ที่อ่อนแรงหมดกําลังใจก็ถอยไปพักพวกที่มีกําลังใจเข้มแข็งเชื่อมั่นในแม่ทัพหลวงตาพาดําเนินก็รุกลั่นไปข้างหน้าอย่างเคยไม่อ่อนล้าไม่ว่าจะแห่งหนตําบลใดที่มีผู้ใจบุญมุ่งมั่นที่จะร่วมสร้างกําแพงบุญกับท่านท่านจะบุกให้ถึงไม่คํานึงถึงวันเวลาสถานที่ หรือสภาพอากาศท่านเพียงพยายามเร่งขับเคลื่อนฟันเฟืองแต่ละฟันเฟืองให้หมุนไปเพื่อระดมรับเงินบุญจากบรรดาลูกศิษย์ชาวพุทธในทุกมุมโลกที่ ท, ทราบข่าวเพื่อเป็นกำแพงบุญที่ยิ่งใหญ่รายล้อมปกป้องประเทศไทยไว้ไม่ให้พินาศทิพหหยด้วยบารมีของหลวงตาแม่ทับของเราจึงบรรดาให้เกิดการทาบุญทั่วประเทศผลของการดาเนินการช่วยชาต เริ่มเห็นแสงสีทองอาร่ามจับท้องฟ้าทองคำที่รับบริจาคมาแล้วหลอมเป็นแท่งเข้าคลังหลวงเพื่อเก็บเป็นทุนสำรองเกื้อหนุนชาติหนักเกือบ12ตันคิดเป็นมูลค่าเงินขณะ น, นี้ไม่อาจประมาณได้เพียงด้วยลวมปากของท่านผู้มีสังขารชราภาพป่านนี้ก็สามารถในระมิดได้เพียงนี้ยังไม่รวมถึงเงินบุญที่หลั่งไหลเข้ามาอุ้มชูประเทศอีกมากมายเมตตาธรรมของท่านแผ่กว้างออกไปทุกทิศ ท, ทาง ทรัพย์สินที่ระดมหามาได้ก็เพื่อโถมทุ่มสร้างกำแพงบุญท่านไม่เคยหวงไว้ไม่เคยคิดสร้างอาณาจักรของท่านเองให้ยิ่งใหญ่ไพศาลไม่เคยมีการก่อสร้างสถานที่ที่ใหญ่โตสวยงามในวัดกุฏิศาลามีอยู่อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงแม้ภาระของหลวงตาจะท่วมทน้นท่านก็ยังแบ่งเวลาออกสงเคราะห์โลกสงเคราะห์สัตว์ทั่วไปไม่มีหยุดไปเลี้ยงสัตว์ในสวนสัตว์เลี้ยงเสือให้อาหารปลา ตามแต่เวลาจะอำนวยให้ท่านสอนพวกเราไม่ให้ประมาทต้องเอื้อเฟื้อต่อสัตว์อื่นๆด้วยเพราะเขาอาจจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราก็อาจจะไปเกิดเป็นสัตว์ได้เช่นกันจึงต้องเอื้ออาทรต่อกันกว่า1ิปีที่ผ่านมารถที่ใช้ในงานช่วยชาติพังไปกี่คันแล้วแล้วสังขารร่างกายของท่านในวัย95้ปีนี้ละ่ะมีบอบช้าและอ่อนเปล้ยลงไปทุกๆวันหรือ ผู้ที่รับประโยชน์และผู้บริหารประเทศทั้งหลายไม่ได้มีส่วนช่วยในการสร้างกำแพงบุญปกป้องประเทศเลยไม่ได้ให้การดูแลและถนอมทรัพย์สินที่หลวงตาและบรรดาลุสิ์ขวนขวายหาไว้ให้ไม่เคยสดุดีความกล้าหาญของหลวงตาในการออกมาช่วยปกป้องประเทศมีแต่จะมุ่งทำลายความตั้งใจมั่นของท่านบั่นทอนฉก่วยเอาประโยชน์จากแรงกายของท่านโดยไม่คิดถึงอนาคตบางครั้งยังเคยได้ยินจากปากนักการเมือง หรือผู้ที่คิดเห็นตรงกันข้ามว่ากล่าวท่านต่างๆนาน า, นาหลวงตาท่านแนแต่นิ่งและคิดเสียว่าเป็นกรรมของสัตว์โลกหลวงตาไม่ได้เป็นพระการเมืองไม่ได้สนใจในลาบยศสรรเสริญหลวงตาท่านอยู่เหนือโลกเหนือสงสารแม้กระทั่งองค์กรต่างๆสิ่งใดที่รัฐไม่สามารถช่วยได้หลวงตาจะเป็นที่พึ่งของเขาเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลโรงเรียน ท่านให้รถพยาบาลเตียงคนไข้เครื่องมือแพทย์อุปกรณ์การเรียนอาหารการกินอีกมากมายจนพันรนาไม่หมดหลวงตาสอนให้ทุกคนอยู่ในความไม่ประมาทให้รู้สิทธิ์ทั้งหลายได้สละทรัพย์เพื่อร่วมกันทำบุญทำทานเพื่อสร้างกาแพงบุญให้เป็นฐานบา ร, รมีของตนเองและของประเทศให้เชื่อมั่นในหลวงตาที่พาดาเนินเป็นศรัทธาที่พวกเราทุกคนพร้อมที่จะสละแม้กระทั่งชีวิตเพื่อเท่ทุนบา ร, รมีของหลวงตา ที่ให้เราได้คิดและปฏิบัติตามพระหลวงตาของพวกเราที่เรานับถือท่านเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราด้วยความเคารพและศรัท ธ, ธาจนหาคำพูดใดๆมาบรรยายไม่ได้ทุกครั้งที่เอ่ยคำว่าหลวงตาความศรัท ธ, ธาเต็มเตือนอยู่ในหัวใจน้ําตาของความเคารพด้วยกายวาจาใจเอ่อล้นด้วยปราศจากความอายหากเป็นความภูมิใจที่ลูกและครอบครัวได้รับความเมตตาจากพระหลวงตาของพวกเรา เหตุการ์ต่างๆที่ลูกและครอบครัวได้รับความเมตตาจากหลวงตาเป็นสิ่งมหัศจรรย์เป็นปาฏิหาริย์ในความรู้สึกของลูกคนอื่นๆก็คงได้รับประสบการณ์เช่นเดียวกับลูกเพราะเราทั้งหมดคือลูกๆที่เรียกท่านว่าพ่อแม่ครูอาจารย์เดียวกันคืนวันหนึ่งสามีของลูกได้ฝันไปว่าขณะหลับอยู่ชั้นบนของบ้าน ได้ยินเสียงเอะอะอยู่ที่ชั้นล่างจนต้องสะดุ้งตื่นย่องลงมาดูที่ชั้นล่างพบกับขโมยที่ในมือมีปืนและยกปืนขึ้นมาทําท่าจะยิงทันใดนั้นหลวงตามาจากไหนไม่รู้ในมือมีไม้เท้างอง อ, ง อ, งอยู่อันหนึ่งท่านใช้ไม้เท้าเคาะหัวขโมยเสียงดังป๊อกขโมยตกใจวิ่งหนีไปพอตีห้าก็ตื่นขึ้นมาตเตรียมตัวไปทําบุญที่สวนแสงธรรมและได้เล่าความฝันให้ลูกฟังขณะอยู่ในรถ พวกเรายังเห็นเป็นความอัศจรรย์ที่ได้ฝันถึงหลงตาโดยที่ไม่ได้คิดอะไรยังสนุกสนานกับความอสสัศจรรย์เมื่อกลับถึงบ้านเวลาสิบโมงเช้าคนงานที่บ้านเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์เมื่อคืนว่าตอนเวลาตีสองมีขโมยเข้ามาในบ้านขนของกระจายไปทั่วบังเอิญมีคนตื่นขึ้นมากินน้ำเห็นขโมยที่เข้ามาในบ้านจึงจับขโมยได้โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ เราเองก็ไม่รู้เพราะรีบออกจากบ้านเพื่อไปให้ทันใส่บาหลวงตาแต่เช้านับเป็นเรื่องที่แปลกและเหลือเชื่อส่วนเรื่องของลูกที่ประสบคืออาการเจ็บป่วยของลูกที่เป็นโรคไตเบาหวานและความดันจนน้ำท่วมปอดทำให้นอนไม่หลับอึดอัดนอนราบไม่ได้หายใจไม่ออกตัวบวมน้ำเป็นโรคที่ทรมานมากเหลือเกินบางครั้งต้องนั่งหลับ เพราะหายใจไม่ได้หากนอนราบลูกสาวได้ไปกราบหลวงตาด้วยตนเองคอยดักหลวงตาอยู่ที่สวนแสงธรรมในระหว่างทางเดินจากกุติมาที่ศาลาลูกสาวคุกเข่าต่อนหน้าหลวงตาเมื่อหลวงตาท่านเดินมาถึงพร้อมทั้งกราบเรียนว่าหลวงตาขาช่วยแม่หนูด้วยท่านได้ซักถามว่าอยู่ที่โรงพยาบาลไหนอาการเป็นอย่างไรในคืนนั้นอาการของลูกหนักที่สุดเลยนั่งภาวนาว่า หลวงตาช่วยลูกด้วยภาวนาไปเรื่อยๆจนกระทั่งหลับไปในท่านั่งปรากฏว่าหลวงตาท่านมาจริงๆมายืนสวดมนต์อยู่ที่ข้างเตียงรอบองค์หลวงตามีแสงสว่างเรืองรองไปหมดลูกเห็นหลวงตามาจริงๆแสงสีนวลสว่างไปทั้งห้องลูกสาวของลูกก็เห็นท่านหลวงตาเช่นเดียวกับที่ลูกเห็นลูกสาวไม่ได้หลับเห็นหลวงตาคาตาอยู่เป็นไปได้อย่างไร ที่ลูกฝันถึงท่านและลูกสาวก็เห็นขณะเดียวกันหลวงตามาโปรดลูกจริงๆลูกสาวยังบอกว่าก่อนที่หลวงตาจะกลับยังหันมายิ้มกับลูกสาวและท่านก็เดินลับไปพร้อมกับแสงสว่างที่เรืองรองรอบห้องค่อยๆจางลงตามองท่านแล้วก็มืดสนิทลูกสาวมองท่านอยู่ด้วยตาของเขาเองจนกระทั่งท่านหายไปเห็นรอยยิ้มของท่านที่เมตตามากๆ จากนั้นก็มาปลุกลูกว่าแม่แม่หลวงตามาหลวงตามาลูกไม่ได้เห็นรอยยิ้มขององค์ท่านแต่ลูกรับรู้ความเมตตาขององค์ท่านอยู่ในหัวใจของลูกอย่างเต็มตื้นเราสองคนแม่ลูกต่างปราบลื้มใจจนถึงทุกวันนี้องค์หลวงตามาจริงๆเห็นเต็มองค์ทั้งในความฝันของลูกและด้วยตาเนื้อของลูกสาวคืนนั้นลูกและลูกสาวต่างน้ําตาเอ่อล้นออกมาเป็นสายด้วยอัศจรรย์และศรัทธา เพียงแค่นึกถึงเหตุการณ์คืนนั้นก็ทําให้มีความรู้สึกที่เต็มตื้นในหัวใจของลูกอาการของลูกดีขึ้นมากนับแต่คืนนั้นอาการที่เจ็บปวดป่วยอยู่เป็นปีหายเป็นปลิดทิ้งความเมตตาขององค์พระหลวงตามากล้นจนไม่อาจจะกล่าวได้เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเราทําให้ลูกมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในบุญบารมีของท่านเป็นล้นพ้นครอบครัวลูกอยู่ได้ทุกวันนี้ ก็เพราะเมตตาของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัวความซาบซึ้งและความศรัทธานี้จะประทับไว้ในจิตของลูกไปทุกภพทุกชาติลงท้ายกราบเท้าพระอรหันต์ของลูกบทความโดยคุณอ้อยเสียงอ่านโดยโจโฉ